หกรรมกรรมคือการกระทําของเราเราทําสิ่งใดๆลงไปเรียกว่าสร้างกรรมมีทั้งดีและชั่วทําดีก็เป็นกรรมดีทําชั่วก็เป็นกรรมชั่วเมื่อทํากรรมแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผลของกรรมเรื่องเกี่ยวกับกรรมมีดังนี้นะคะหนึ่ง จัตติลมีกรรมเป็นของตนคือเป็นของเราคนเดียวไม่มีทางเป็นของคนอื่นใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วคนอื่นจะมาทำแทนให้ไม่ได้และจะไปทำแทนคนอื่นก็ไม่ได้สมบัติอะไรที่เป็นของเราเมื่อเราตายไปก็เอาไปไม่ได้มันจึงไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงแต่กรรมที่เราทำนั้นเอาติดตัวไปได้ทุกชาติจึงนับว่าเป็นของเราจริงๆ ถ้าไม่ชอบทิ้งมันไว้มันก็จะตามไปเองถ้าเราทำบุญมากๆผลกรรมดีก็จะติดตามเราไปตลอดทั้งชาตินี้ชาติหน้าถ้าทำชั่วผลกรรมชั่วก็จะติดตามไปตลอดเช่นกันกรรมของใครก็เป็นของคนนั้นยกให้กันก็ไม่ได้เฉลยสีเป็นคนฉลาดมาก ตามกำรรดีที่ส่งมาเธออยากแบ่งความฉลาดไปให้น้องคนเล็กที่สมองทึบแต่เธอก็แบ่งไม่ได้ฉลองศักด์เป็นคนแข็งแรงมากเขาอยากแบ่งปันความแข็งแรงไปให้กับน้องชายที่เป็นโปลิโอเขาก็แบ่งไม่ได้คุณยายพักพริงตื่นเช้ามาใส่บาต ท, ทุกวันแล้วสวดมนต์ฟังธรรมะตลอดคุณยายบอกพี่โมลูกสาวว่า ยายต้องใส่บาทเองเพื่อจะได้พาบุญไปด้วยตอนตายถ้าพี่มนทำแทนคุณยายก็ไม่มีบุญจะพาไปด้วยเพราะบุญนั้นจะเป็นบุญของพี่มนพี่มนบอกว่าทำแทนให้ก็เหมือนกันคุณยายยิ้มก่อนจะพูดว่างั้นเวลาหล่อนหิวแม่กินข้าวแทนนะทําบุญก็เหมือนกินข้าวแหละลูกเอ้ยใครกินใครก็อิ่มกินแทนกันไม่ได้หรอก ความที่มันแบ่งกันไม่ได้รับแทนกันไม่ได้นี้เมื่อเราเห็นใครได้ดีเห็นใครทุกโศกหรือตัวเราเองได้รับสิ่งดีสิ่งร้ายก็เป็นกรรมเก่าที่เราเคยสร้างมาส่งผลให้เราได้รับรู้ทั้งนั้นสิ่งที่เราควรจะทําในตอนนี้ก็คือทําใจยอมรับกรรมเก่าของเราเองและพยายามสร้างกรรมใหม่ที่ดีงามเพื่อเราจะได้กระเตงไปแต่สิ่งดีๆสู่อนาคตของเรา สอมีกรรมเป็นกาเนิดคือกรรมเป็นผู้สร้างสารรค์ให้เกิดกรรมของเราเองที่เคยทำไว้มันส่งมาเกิดถ้าเคยทำดีก็ส่งมาเกิดในที่ดีมีครอบครัวดีมีชีวิตดีมีสติปัญญาดีถ้าเคยทำชั่วมามากก็อาจจะเกิดในที่แห้งแล้งยากจนกินดินกินทรายไปตามเรื่องท่านว่าพวกมีโมหะมากๆกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำให้ไม่มีโอกาสศึกษาธรรม่วนคนไม่มีกรรมแล้วเช่นผ้าอารหารันท่านก็ไม่มาเกิดอีกข้อสามเราเป็นทายาทของกรรมคือเราเป็นผู้รับมรดกกรรมเราเคยทำกรรมบันไดไว้ชีวิตนี้เรามาเป็นผู้รับมรดกกรรมของเราเอง ในชีวิตนี้เราอาจได้มรดกมาเป็นเงินทองหรือบ้านแต่ก็าอาจไม่ได้รับจริงเพราะอาจจะถูกโกงไปบ้างแต่มรดกกรรมนี่ใครก็โกงไม่ได้มันเป็นของเราเต็มๆถ้าเป็นมรดกดีก็สบายไปถ้าเป็นมรดกไม่ดีอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะยกตัวอย่างนิดหน่อยพอขูวไว้ให้กลัวบาปกลัวกรรมกันมั่งเช่นคนที่ชอบขโมยของคนอื่น ก็จะเกิดมาลำบากยากจนไปตลอดอยากได้อะไรก็ไม่สมหวังไปซะหมดตรงข้ามกับคนเคยทำบุญให้ทานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนอื่นม า, มากมายเกิดมาชาตินี้ไม่เคยติดขัดอะไรอยากได้อะไรก็มีคนหามาให้หมดข้อ4มีกรรมเป็นพี่น้องเผ่าพันธุ์อันนี้ท่านอธิบายว่า พี่น้องของเราอาจจะช่วยเราได้บ้างอาจจะช่วยเราไม่ได้บ้างในบางเรื่องบางเวลาแต่กรรมอยู่กับเราตลอดเวลาสิ่งที่พี่น้องช่วยไม่ได้กรรมจะช่วยได้อย่างคนที่จากบ้านไปทำงานที่อเมริกาอยู่คนเดียวและเกิดปวดท้องไปทำงานไม่ได้ในวันที่ตึกที่ทำงานถูกถลม่มทำให้รอดชีวิตมาได้แสดงว่ากรรมดีของเขาได้ช่วยเอาไว้ให้ปลอดภยัย พราะ้มีกรรมเป็นทิ้งพึ่งพาอาศัยคือกรรมของเราเองนั่นแหละที่เป็นที่พึ่งพาของเราตลอดชีวิตและพึ่งได้ทุกชาติคนอื่นเรายังพอพึ่งได้บางเวลาแต่พอไปพึ่งเขาบ่อยๆเขาอาจจะรำคาญไม่พอใจแต่กรรมดีของเราเราพึ่งได้แต่ก็อีกนั่นแหละกรรมชั่วของเราก็มีถ้ากรรมชั่วมาถึงเมื่อใดมันก็จะขัดขวางไม่ให้ใครเข้ามาช่วยเราเหมือนกัน มันจะติดขัดคับห้องไปสมุดเพราะกรรมไม่ยอมให้พึ่งจะให้เราชดใช้กรรมจะให้เข็ดฉะนั้นถ้าอยากจะพึ่งกรรมก็ต้องทำแต่กรรมดีเอาไว้หมอนสมัยกำลังเดินกลับบ้านกับน้องสาวพบหญิงสาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องหาทางไปโรงแรมไม่ถูก หมอนสมัยพาหญิงสาวขึ้นรถแท็กซี่แล้วนั่งไปเป็นเพื่อนส่งนักท่องเที่ยวคนนั้นจนถึงโรงแรมอย่างเรียบร้อยหลายปีต่อมาหมอนสมัยไปตกกระกตกรดอยู่ในตำบลเปี่ยวรถโดยสารก็หมดเวลาทำการกระทันหันทำให้เธอต้องเดินยาวไกลแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใกล้จะมืดค่ำเต็มทีแล้วและยังเหลือทางอีกไกลมากกว่าจะไปถึงในเมืองอันเป็นที่พัก เธอบกรถหลายคันก็ไม่จอดรับเธอจึงเดินต่อไปในใจเริ่มร้องไห้นึกขึ้นว่าแมมที่เวลาคนอื่นลำบากเราตามไปส่งถึงที่เลยเนียพอเราลำบากไม่เห็นมีใครช่วยเราเลยทันใดนั้นกำที่กำลังนอนเกาหลังอยู่ก็นึกขึ้นได้จึงให้รถตู้คันหนึ่งเบรกกึกแล้วถอยหลังกลับมารับหมอนสมัยไปส่งถึงในเมือง ทานก่อนลำแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์จะโบกมือลาไปในวงเล็บขออภัยลิเกไปหน่อยนะเนี่ยมีกรรมเป็นที่พึ่งบางทีกว่าจะพึ่งได้ก็กรรมเหมือนกันแหละตรงนี้ก็มีกระตูนขั้นเรื่องนะคะจะเป็นรูปพระจันทร์กำลังหลับอยู่ เวลาที่ผลกรรมไม่ดีของเราวิ่งตามมาถึงมันจะให้ผลกับเราได้โดยที่กรรมดีอื่นๆก็จะแตะเบรกไว้ก่อนเปิดไฟเขียวให้กรรมไม่ดีได้ทำงานเต็มที่เหมือนระบบไฟจราจรที่มีไฟเขียวไฟแดงรัศมีจันอยากกลับบ้านนอนตอนหัวคำ่ำเพราะพรุ่งนี้เช้าจะต้องตื่นตีห้าไปต่างจังหวัดตามคำสั่งของเจ้านายแต่ตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนล ไม่รู้ทำอะไรมาเมื่อกี้ดูนาฬิกายังเพิ่งสองทุ่มเองเลวจริงๆรัศมีจัน์ซิ่งรถผ่านแสงไฟสวยงามของกรุงเทพเลี้ยวเข้าหมู่บ้านผ่านซอยไปหลายซอยและผ่านหมาตัวหนึ่งแถวสะโพกของมันเธอรีบจอดรถลงไปดูหมาแปลกหน้าเห็นดวงตาที่น่าสงสารกับสะโพกเดี่ยงก็รีบอุ้มมันขึ้นรถขับไปควานหาสัตวแพทย์สักคนเออยู่ไหนล่ะเนี่ย กลับไปไม่นานก็เจอพอดีบนของหมาไม่ใช่ของเธอปากหมาไว้กับหมอแล้วก็รีบกลับบ้านนอนตอนตีสองเช้ามาตีสีครึ่งนาฬิกาไม่ปลุกท่านหมดตอนตีสี่บนช่วยที่เจ้าอังโลหมาข้องหล่อนโดนแม่ครัวข้างบ้านสาดน้ําร้อนใส่โดยไม่ตั้งใจร้องเองิงเองเข้ามาปลุกให้ตื่นจึงรีบลุกขึ้นแต่งตัวงอเงียเพราะนอนไม่ถึงแปดชั่วโมงตามกฎสุขภาพ ควาอะไรได้ก็หอบหอบไปเต็มกอดเพื่อไปที่รถประตูเปิดไม่ออกอยู่นานโมโหเตะประตูทีนึงเป็นการลงโทษประตูประตูงอนแตกเปล้งเฉือนเนื้อที่ขาเลือดโกรกวันนี้รัศมีจันไม่ได้ไปต่างจังหวัดเพื่อนข้างบ้านหามส่งโรงพยาบาลเธอยังสติดีอยู่ตอนที่รู้ว่าบัตรเครดิตหายและฝากเพื่อนข้างบ้านว่า กลับบ้านแล้วช่วยโทรบอกแม่หนูด้วยนะว่าแม่กลับจากทำบุญแล้วมาช่วยรับลูกสาวด้วยนะคะกรรมเก่าไม่ดีของรัศมีจันที่มาเยี่ยมตั้งแต่เมื่อคืนวานนั่งหัวเราะ อ, อยู่แถวปลายเตียงก็จบตอนนี้นะคะกระตุนก็เด็กหญิงขวัญก็ขาเป๋ไปข้างหนึงนะค่ะยันไม้เท้าอยู่โบกมือยักยก หน้าที่ของกรรมกรรมก็เหมือนคนต้องมีหน้าที่การงานเหมือนกันหน้าที่ของกรรมก็คือจัดการกับเจ้าของกรรมนั่นแลกรรมใครกรรมมันแต่กรรมมีหลายตัวถ้าเรามองเห็นมันได้เหมือนการ์ตูนจะเห็นมันห้อยโหนอยู่ตามหัวหูหรือนั่งขวาห้างอยู่บนหัวไหลของเราคอยติดตามเราไปไม่ปล่อยถึงเวลาจะให้ผลอะไรกับเรามันก็ดีดนิ้วปิ๊ ณเวลาเราทำอะไรมันก็คอยจดไว้ที่แย่มากๆเลยก็คือว่ามันไม่เคยลืมจดแลณจดแล้วก็ไม่เคยลืมที่จดอีกต่างหากตัวที่หนึ่งท่านเรียกว่าชนกกรรมชนกที่แปลว่าพ่อนั่นแหละแปลสรวยก็คือผู้ให้กาเนิดตัวนี้เองที่เป็นคนคอยจัดแจงให้เรามาตั้งแต่ก่อนเกิด เลือกแม่ให้เราว่าให้เราเกิดมาเป็นลูกใครอยากดีมีจนแค่ไหนจัดแจงให้เราฉลาดหรือโง่หรือปัญญาอ่อนหรือเปล่าสวยไหมหล่อไม่เสร็จหรือว่าหล่อยังไม่เสร็จเป็นหน้าที่ของท่านชนกกรรมนี้ทั้งนั้นเขาคือใครเขาก็คือสิ่งที่เราทำไว้ในชาติก่อนๆนั่นเองเช่นถ้าชาติก่อนทำบุญมากชาตินี้ก็ได้เกิดมามีกระตังหน่อยทาน้องนั้น ถ้าชาติก่อนถือศีลสวดมนต์สงบจิตใจก็ได้เกิดมาสวยและถ้าชาติก่อนเลียนธรรมะมีปัญญามาก็เกิดมาฉลาดตัวที่สองท่านเรียกว่าอุปธรรมภกกรรมคือกรรมที่คอยอุปถ ร, รมพระหลังเรียกนางฟ้าแม่ทุนหัวคอยช่วยเหลือการให้ผลของกรรมอื่นที่ยังไม่มีโอกาสส่งผลให้มันส่งผลได้ หรือถ้ากรรมอื่นกำลังส่งผลอยู่ก็ให้ส่งผลได้มากขึ้นเช่นเรื่องต่อไปนี้เช้าวันนี้ฤดีมาดดารงออกไปใส่บาตรด้วยจิตใ จ, จอันสงบอย่างยิ่งจนอุปถมัมภะกรรมชื่อฤดีน้อยยิ้มแก้มปริอยู่ข้างๆตุ้มหูมันเป็นวันที่เธอจะได้ขึ้นเงินเดือนเพราะกรรมดีที่เคยทำมาจะให้ผลและเมื่อไปถึงสงงานักงานเธอได้พบว่า นอกจากจะได้ขึ้นเงินเดือนแล้วยังได้เลื่อนตำแหน่งอีกด้วยซึ่งอันหลังนี้เป็นผลงานของฤดีน้อยตัวที่สามท่านเรียกว่าอุ ป, ปปีเล็ก ก, กรรมชื่อเล่นว่ากรรมเบียดเบียนถ้าเรามีกรรมดีมันจะคอยกันไม่ให้กรรมชั่วมาส่งผลถ้าเรามีกรรมชั่วมันจะคอยกันไม่ให้กรรมดีมาส่งผล ว่ากันจริงๆแล้วตัวที่สองกับตัวที่สามก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันได้คือเมื่อในกอจะไปตีในขอกรรมไปกั้นกลางอยู่คือกันในกอไว้ไม่ให้ตีก็คือกรรมเบียดเบียนไว้นะคะและช่วยในขอไม่ให้ถูกตีคือคอยอุปถรมไว้ตัวอย่างท่านชายพ์เดินอารมณ์ดีออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปทำงานพอพ้นรั้วมา เจ้าดิกกี้มาในหมู่บ้านก็กระดิกหางดิกดกอารมณ์ดีเดินมาเหมือนกันท่านชายพศเลยทักทายด้วยการเตะมันเล่นไปเน็บไว้บนรัว้วแล้วก็ไม่เอามันลงมาพอพ้นปากซอยกาเก่าชาติก่อนมาสะกิดไหลให้มอเตอร์ไซค์วิ่งมาเฉี่ยวความจริงก็กานิดเดียวแค่ขาเคร็ดแต่ความที่ท่านชายพศเน็บเจ้าดิกกี้ไว้ที่รัว้วเลยทาให้แทนที่จะขาเคล็ด กลายเป็นขาหักเอาใหม่ขายหนังถอยหลังกลับไปตั้งต้นใหม่ท่านชายพุตื่นเช้าออกมาตักบาทหน้าบ้านแล้วเดินอารมณ์ดีออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปทำงานพอพ้นรั้วมาเจอเจ้าดิกกี้ก็ลูบหัวมันด้วยมือแทนตีนเอ้ยเทา้าพอพ้นปากซอยมอเมตอร์ไซค์วิ่งมาเฉียวความจริงกรรมเก่าหนักถึงต้องขาหัก แต่อุปปีลิกกรรมเบียดเบียนกลางก้านรกรรมเก่านี้ไว้ท่านชายพ์เลยแค่ขาเครดตัวที่4อุปคาตกรรมมีหน้าที่ไปตัดรกรรรมอื่นให้ไม่ให้ผลเช่นสั่งสมความดีมากขึ้นมากขึ้นตัดรอนผลแห่งกรรมชั่วจนหมดไปและในทางชั่วก็เหมือนกันนะคะกลับกัน ดังนั้นท่านจึงสอนว่าให้เราพยายามทําความดีอยู่เสมอเพื่อสะสมบุญไว้หากมีกรรมเก่าใดตามมาสกิจจะได้มีบุญไว้คุ้มตัวหรือผ่อนหนักเป็นเบาส่วนเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่จะแก้ไขไม่ได้เช่นเกิดมาจนก็อุตสาหะเข้าอาจจะมีฐานะดีขึ้นได้ไม่ใช่งอมืองอเท้ายอมรับกรรมอย่างเดียวเพราะคนเราพัฒนาได้ ทำบางอย่างเราทําโดยไม่เจตนาก็จริงแต่ไปก่อผลสุขทุกข์ให้คนอื่นเข้าเราคนทําก็จะได้ผลตอบแทนมาในทํานองเดียวกันคือได้รับสุขทุกข์จากคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้เจตนาเช่นเล่าโมโหวเวียงรองเท้าไปโดยไม่ได้ดูไปโดนหัวหมาสลบเหมือดหลายวันต่อมาคนข้างบ้านทะเลาะ ก, กับเมียเวียงตะลิวออกจากหน้าต่างครัว ข้ามรู้มาโดนหัวเราสลบโดยไม่ได้ตั้งใจในศาสนาพราหมณ์ถือว่าชีวิตเราที่เกิดมาเกิดจากพรหมฤกขิตเพราะทุกอย่างพรหมกำหนดไว้ให้แล้วมีนิทานเล่าว่าตายายยากจนชีวิตลำบากมีควายก็เข่าเก้แก่กลดด่าพระพรหมทุกวัน บอกว่ามยุติธรรมที่ลิขมาให้ลำบากอย่างนี้วันหนึ่งถ้าผมทนไม่ไหวเหาะลงมาพาตายายไปที่ต้นสายของชีวิตของทุกคนแล้วให้เลือกเอาเองเลยว่าจะเลือกเส้นชีวิตเส้นไหนก็ได้ตามใจชอบตายายก็เลือกเส้นชีวิตเส้นที่ดีที่สุดพอใจที่สุดแล้วก็ไล่เลี้ยงทุกเส้นมาเรื่อ ย, อยในที่สุดตายายก็มาตื่นขึ้นในกระท่อมหลังเดิมมีควายก็ตัวเดิม คือมันดีที่สุดแล้วสำหรับตากับยายในาศาสนาพุทธไม่มีพรมลิขิตแต่เป็นกรรมลิขิตกรรมคือสิ่งที่เราทำดังนั้นเราจึงเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองที่เราทำดีได้ไปเกิดที่ดีเราเลือกทำมาเองที่เราทำชั่วได้รับผลชั่วเราเลือกที่จะทำกรรมชั่วเอง บางคนอาจจะเถียงว่าใครจะอยากทำชั่วแต่มันจำเป็นอะแต่ในความจริงที่บางทีเราก็ไม่รู้นั้นอะเป็นเพราะว่าความไม่รู้ทั่วความไม่อยากขัดใจตัวเองไม่อยากถูกต้องแต่อยากถูกใจหรืออะไรอะไรอีกมากมายที่เราสรรหามาเพื่อเข้าข้างตัวเองแต่ถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วในความจำเป็นนั้นมีทางออกด้วยกรรมดีเสมอ ในการเอาความรู้เรื่องกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือถ้าเราประสบทุกข์ก็ให้นึกว่าใช้หนี้ไปหนี้ของเราจะได้เบาบางลงถ้าประสบสุขก็ให้นึกว่าเขาใช้หนี้เราแต่ก็ต้องระวังมันจะหมดไปถ้าเราไม่ทำความดีเพิ่มขึ้นเราควรจะหมั่นทำบุญเพื่อเป็นการแสดงกตัรยูต่อบุญที่มาเกื้อกูลให้เรามีความสุขพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อใดที่บุญสิ้นไป ทุกอย่างก็จะพินาศหมดลำดับการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมจัดลำดับตามแรงหนักเบามีสี่อย่างคือ 1. กรรมหนักถ้าทางกรรมดีก็หมายถึงฌานวิปัานา มักผลถ้าฝ่ายชั่วก็หมายถึงกรรมหนักห้าอย่างค่าแม่ค่าพ่อค่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อโลหิตทำพระสงฆ์ให้แตกสามัคคีกันสองกรรมที่ทำจนเคยชินหรือทำมากทำบ่อยทำประจำเช่นตักบาททุกวันสวดมนต์ทุกวันฟังธรรมทุกวันอันนี้ฝ่ายดีถ้าฝ่ายไม่ดีเช่น แตะม้าทุกวันซิ่งมอเตอร์ไซค์ทุกคืนหนีหนี้ทุกเดือนกรรมข้อสองนี้ท่านว่าจะให้ผลยั่งยืนมากนะ hmm. ข้อ3กรรมก่อนตายคือสิ่งที่จิตใจคิดถึงก่อนตายหรือการกระทําก่อนตายมีอนุภาพให้คนนั้นไปสู่สุคติหรือทุกติได้ถ้าเขาคิดถึงสิ่งนั้นก่อนตาย สมัยโบราณเมื่อคนแก่รู้ตัวว่าจะตายจึงมักขอดอกไม้ทุ่มเทียนบูชาพระก่อนตายข้อสกรรมธรรมโดยไม่เจตนาคือสิ่งที่เราทำแล้วลืมไม่ได้ใส่ใจเช่นเดินเจอขอทานก็ให้ตังแล้วก็ลืมใครให้สองกระถินมาก็ใส่ใส่ไปตามธรรมเนียมไม่ได้สนใจไม่ได้บุญไม่ได้บาปอะไร เวลาของการให้ผลการให้ผลของกรรมไม่อาจที่ใครจะรู้รายละเอียดได้เพราะมีความสลับซับซ้อนมากประกอบด้วยเงื่อนไขหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสัยแห่งกรรมและผลของกรรมเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้เป็นข้อหนึ่งในหลายข้อของอาจินไตคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ถามเพราะเกินกาลังคนอย่างพวกเราจะเข้าใจ พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจแต่ไม่อยากเล่าในตำราอธิบายเรื่องเวลาของการให้ผลไว้ดังนี้ 1. ให้ผลในชาตินี้ 2. ให้ผลในชาติหน้าต่อจากนี้ 3. ให้ผลเรื่อยๆไปจบโอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อนั้นไม่รู้ชาติไหนสอโหสิกรรมกรรมไม่ให้ผลเลิกแล้วต่อกัน เรื่องลำดับความหนักเบาและเวลาการให้ผลของกรรมนั้นท่านว่ามีความสัมพันธ์กันมากคือกรรมหนักทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจะให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นส่วนกรรมที่ทำบ่อยๆถ้ายังไม่ให้ผลชาตินี้ก็ยกยอดไปชาติอื่นแล้วแต่โอกาสท่านเปรียบเหมือนชุนักไล่เนื้อทันเข้าเมื่อใดก็กัดเมื่อนั้นส่วนกรรมที่ทาใกล้ตาย มักจะให้ผลก่อนกรรมอื่นเพราะใจคิดอยู่แต่กับเรื่องนั้นแม้บางคราวจะมีกำลังน้อยแต่ก็ให้ผลก่อนอันนี้ท่านเปรียบให้ฟังว่าเหมือนวัวที่ขังรวมกันในคอกพอตอนเช้าเปิดประตูคอกวัวที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดก็ต้องออกก่อนแต่พอออกมากันหมดแล้วตัวที่แข็งแรงกว่าก็อาจจะแซงหน้าไปผลกรรมใกล้ตายอาจจะให้ผลก่อนแต่ก็ให้ผลสั้น หลังจากนั้นก็เป็นผลของกรรมอื่นๆที่จะเข้ามาจัดแจงต่อไปส่วนกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาอันนั้นจะให้ผลน้อยที่สุดกรรมใดคอยโอกาสให้ผลอยู่แต่ไม่มีโอกาสเลยก็เลิกแล้วกันไปเป็นอโหสิกรรมอันนี้จะมีเหตุได้สามประการอโหสิกรรมเนี่ยนะคะคือหนึ่งหมดแรงคือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้ว เหมือนคนติดคุกสองปีเมื่อกำหนดพ้นโทษนอกจากว่าตอนอยู่ในคุกจะทำผิดอีกก็ติดคุกต่อแต่ถ้าทำดีมากๆก็พ้นโทษก่อน 2. กรรมหยุดให้ผลเมื่อกำอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นครั้งคราวคือกรรมดีจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อคนนั้นทำความชั่วมากเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมชั่วส่งผลก่อนหรือกลับกันถ้ากรรมชั่วกำลังให้ผลอยู่แล้วเขาทำดีมากมันก็จะหยุด เือให้กรรมดีให้ผลก่อน 3. ผู้นั้นได้สําเร็จเป็นพระอารหันต์ไม่เกิดอีกกรรมก็เลยหมดโอกาสให้ผลแต่จะยังให้ผลได้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เช่นองค์ุลิมานเมื่อสําเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วยังถูกชาวเมืองทุบตีอยู่แต่เมื่อดับขันก็ไม่ต้องเกิดอีกหรือพระโมคคัลลานนะถูกโจรทุบตีจนตายทั้งที่ท่านมีอิทธิฤทธิ์มากมาย แต่เมื่อท่านตายแล้วก็ไม่เกิดอีกกรรมใดๆที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นอโหสิกรรมไปเราเลือกเกิดได้เมื่อเรารู้จักกรรมตัวนี้แล้วก็จงวางใจในผลของกรรมว่าถ้าเราทำดีเราย่อมจะมีผลของกรรมดีรอเราอยู่ข้างหน้าในอันที่จะพาเราไปเกิดในที่ดี คอยอุปถามเราเป็นที่พึ่งแก่เราอีกอย่างหนึ่งก็คือจงวางใจในผลของกรรมถ้าใครทำอะไรเราเป็นหน้าที่ของกรรมจะชำระเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปจัดการเขาหน้าที่ของเราคือทำดีอยู่เสมอทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันด้วยความรู้อันนี้ถ้าเรามองไปในอนาคตว่าเราอยากจะไปเกิดที่ดี มีชีวิตที่ดีเราก็ต้องสร้างเหตุดีสร้างกรรมดีวันนี้ไว้อยากได้ผลดีวันหน้าวันนี้ก็สร้างเหตุดีเข้าเรียกว่าเลือกเกิดได้แต่ท่านเตือนว่าต้องเป็นความดีที่มีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ว่าเกิดได้ตามที่ต้องการแต่ต้องมีคุณธรรมห้าอย่างคือศรัทธาศีล สุตตะคือฟังธรรมมากจากะคือเสียสละบริจาคและก็ปัญญาเมื่อมีคุณธรรม5อย่างนี้สมบูรณ์ตั้งอธิษฐานจิตไว้ว่าอยากจะไปเกิดที่ใดก็จะได้ตามนั้นการให้ผลของกรรมมีคนเคยถามถึงเรื่องการให้ผลของกรรมว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ทำไมไม่เป็นอย่างนี้เช่นคนไปทำบุญกระถินกลับมาประสบอุบัติเหตุบนถนนดูเหมือนกลับไปทำบุญแล้วไม่ได้บุญคำตอบก็คือมันไม่ใช่วาระการทำบุญวันนั้นอาจจะยังไม่ได้ส่งผลเพราะมันเป็นวันที่กรรมเก่าแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ได้มาถึงแลนะแสดงผลทันทีมันเป็นกรรมคนละตัวกัน ครั้งหนึ่งเมื่อชาววัดผู้ศรัทธาผู้หนึ่งถึงการล้มละลายเขายืนดูวัดและผู้คนกําลังทําบุญกันมากมายหลายร้อยหลายพันคนแล้วก็ลำพึงว่าฉันทําบุญไปตั้งหลายแสนไม่เห็นบุญจะช่วยอะไรเลยนี่ก็เป็นเรื่องวาระอีกเช่นกันบุญที่เราทําอาจจะยังไม่สามารถส่งผลได้ในขณะที่เราต้องการเพราะการรมอื่นที่เข้าถึงวาระเขากําลังให้ผลอยู่ การได้ผลของกรรมยังมีเงื่อนไขอื่นอีกมากเคยมีคนเล่าว่าแม่ค้าขายขนมจีนคนหนึ่งแกถวายพระด้วยขนมจีนทุกวันพอตายไปอาหารทิพที่รอแกอยู่ก็คือขนมจีนแกบ่นว่าโอ้ยเบื่อจะตายอยู่แล้วอยากกินอย่างอื่นมั่งด้วยเรื่องเล่าทำนองนี้แหละที่พอชาวเราอยากจะได้อะไรหรือชอบอะไร ก็เลยจะเอาของอย่างนั้นน่ะถวายพระคล้ายๆฝากตู้เซฟไว้จะได้ถอนคืนตอนตายความจริงบุญคือเจตนาในการทาดีผลบุญจึงน่าจะเป็นของทิพย์ที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการมากกว่าโดยไม่ต้องไปตรงกับของที่เราเคยทาบุญหรอกเราสอนกันมาว่าทำการอะไรได้ผลอย่างนั้น เช่นปลูกข้าวก็ได้ข้าวแต่เราสอนกันเพียงเท่านั้นจึงทำให้เราเข้าใจการให้ผลของกรรมได้ยากท่านอาจารย์วสินอินทสระได้สอนเพิ่มเติมให้เข้าใจเสียใหม่ว่าการให้ผลของกรรมมีเงื่อนไขแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มาประกอบบางทีปลูกข้าวไม่ได้ข้าวก็มีถ้าปลูกข้าวลงในดินไม่ดีหรือดินดีแต่น้าไม่พอฝนไม่ตก ข้าวก็ได้น้อยหรือถ้าน้ําท่วมข้าวก็เสียหายหมดไม่ได้ข้าวถ้าทุกอย่างดีหมดดินดีน้ำดีมเมล็ดพันธุ์ดีก็ได้ข้าวดีกรรมก็เหมือนกันและด้วยเหตุนี้ถ้าเราเคยทำไม่ดีมาจึงทำให้เราสร้างเงื่อนไขเพื่อเข้าปรับเปลี่ยนผลกรรมได้ด้วยการทำดีเป็นโอกาสให้คนกลับตัวได้และพัฒนาได้ บุญละลายบาปได้คนเราย่อมต้องเคยทำดีและชั่วแต่ถ้ารู้ตัวว่าได้ทำชั่วไปแล้วท่านสอนว่าให้หยุดทำความชั่วเสียแล้วทำความดีต่อไปให้มากๆและก็มากๆเปรียบเหมือนเกลือช้อนหนึ่งใส่ลงไปในตุ่มใหญ่ที่มีน้ำเต็มและเกลือจะยังคงมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถแสดงความเค็มได้ น้ำเปรียบเหมือนความดีที่มีมากจนความชั่วไม่อาจแสดงผลได้แต่ก็ไม่ใช่คิดว่างั้นก็ทำชั่วไปได้เดี๋ยวค่อยทำดีมาแก้เพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะทำความชั่วต่อไปเรื่อยๆผัดวันประกันพรุ่งไม่มีวันได้ทาดีเพราะความชั่วเป็นเรื่องทำง่ายและถูกกับกิเลส ข, ของคนเราเช่นกินเหล้าเล่นการพานันเที่ยวเสตรสนุกสนาน เพราะฉะนั้นการคิดว่าที่หลังไว้ค่อยทำดีมาแก้มันจึงยากถ้าจนเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราตั้งใจแล้วก็ควรจะหยุดทำชั่วแล้วก็เริ่มทำดีทันที